ละไม่รวยเนี่ยละรวยไม่แม้แต่คละละเมื่อแห้งรวยวะไม่คิดแล้วโอ้ห้าละรวยอย่งเงี้ยศึกษาละรวยแล้วละล้รวยแล้เดี๋ยวนี้ตีมากเลนี่มองไปแจ็คคนมันใช่ไหมงานการกินก็ดีง่ายไม่ยากก็แห้ง หลายจะมกข้าวเร่อซ้อนเลยเนี่ยเาะมันผู้ยากมันไม่มีอีกิีนี้จะคุณพรมอ่จะคุณธรรมจรีราไปทา่าถนอมบัมันอยากมันไม่ให้เจนนึงผู้มียากคนเขาแจ้งพักเขาไว้ให้ท่านท่านไปทา่าถนอมไปนึ่น แน่ผู้ละพระผู้มันอยากคุณไม่เอาไปให้คุณจะคุณน่ามันเจดีจะมากระจําได้โยอแน่ผู้มันอยากมันเขาไม่มีเอาไปให้มันท่านไม่อยากแล้วมีเฉพูะเอามาถวายให้ท่านสังเเนท่านไมสันแน่แห้งผู้จะเอามาให้สัน ไปแั้งได้มากหาไปแห้งมาเมันตันหาหาแล้วมันตันโตเบดหาม่ตันตเน่เบ็ด่สุขสบายไ่ใชหัวตันหาหาตันตันแล้วมาเอาเมียซะนี่เอาหัวด้วยสบายแหตันแล้วไปชี้มฆ่าหัวผู้ยิงกวเน่ เนี่ยค่าแฟนเพราะว่าบวชเนี่ยผู้ชายแบบค่าค่าผู้หญิง ม, ม, มันหาว่าต่ำเดอกันนั่นธารมาลราบ่มีเลยยุ่ไปก็ไปมีแล้วต่ำนี่ยแต่ลูกบวชค่าลูกไอ้หลานค่าหลานธารมาบวาง่ายหมูนี้ไปคิดเลยไปไปจะดเบ็ดก็ทำนี่บ่มีห่วง ไปสร้างวัดเจ้าที่วัดมาแล้วเครื่อ ง, อ, องของยุ่งงโคราชสองสามห้องจะไม่มีวันเขาของนี้มากับไปเบิ่อหายมัดมันท่วอวะแล้วกัสามกระมังก็เป็นร้อ ย, อยนี้หายมดป ร, ประทองกั น, กนละเดี๋ยวนี้ก็บาบางไปละมาอยู่นี่เต็มนี้อีกละ มีทำทุกันืนม่ต้องห่วงแน่ยึดทำไปเต็มทำละทั้งคมล้มลมาทางพิ่านน้าตาลก็ดีด้วอายุทำมาทั้งเพิ้ยขึ้นเราทํารือเปล่าไนี่กาแฟก็ยน้ำตาลกด็ลลก ด, กดีอาหารก็เลยั้ง อ, องแคบมากกว่นวนะ ต้องการซื้ออาหารต้องตั้มเร้วยมันเป็นเน่าเบิ้ดนี่ที่เกษตรไม่ชนะถักมีสีไใบก็ดีน่กระสานก็จะเป็นมอดเบิดนี่แล้วม่านี่เป็นเบิ้ดอีกมากไหมกระสานกินกระสานแล้วหันออลงคอหนมาหลายล้วบ้อไม่ได้ไรบ่มีกระสารนี่เราหนีไปเบิด ใ้คู่เราปยุ้ยเราจนมอดกิน <c oughs> นี่ดินสัน้นนันี่เอาลอ้วัดน้าววัดตรงเทพเข า, าจกรดจกลาเล่าไปแห้งหลายงานการกินก็จะจอนทำมามีบนว่างเล่าไปนี่ ตากมันมันแจ้จะกินอะไรเงนห่อนไปยากเลย ต, ตักแกงก็ไม yup. ่ชนักอยตักเพราะให้เอาคนนีแจ้งจะเอาไปเนี <divergence> <ication diffé> <finalement> ่ยแล้วมันจึงจะซ้ำหลายเขาบ็วัดซำเน่อายุจอุวัดภาษีรถจะมีบนจอถนน น้ำตาล น, น้ำอ้อยถ้าที่กินสมยศแม่เลี้ยงเลาแม่เล่าไปเลี้ยงสมยศเนี่ยพผนไปอยู่พันอยู่คนเดียวพตัวทรายดีเรามาไปอยู่เต๊ะเพราะมันมีบอตั้จะมีบอลตันงอาหารน้ำอ้อยเนอืม เน่รับมึงละมงยังรวยวะฮัลโหลถ้าไม่ ย, มามายากแน่นม า, ากง่ายยากเข้ายากก็ได้เตพ่อก็ว่ายในวันแล้วขาเป็นนีเป็นชิ้นเิ้งเนไรก็ได้อาจารย์เออ ไปฟ้งก็ได้เ้าปีสิบปีมาแล้วย่องทุนนากันถามเขาก็ไม่ให้เขาขัดทุนแอาไปเนี่ยถามลูกนี้ต่อหน้าก็มีมาทำไมล่ะรึกษาจะทำยังไงจารนจะฟ้องเขากว่าเราถือสินออเป็นชิ้นเป็นท่ำก็เป็นชินเป็นท่ำมีกิงที่ว่าอยากได้เอาพาวน้มดี ใจดีเลยได้หรอกนะคอับทำทำสงบนะมาแล้วมานั่งสมาธิเด็ดแปลงอ้านั่งหามาวันงานมาจะได้แม่อาจารย์มันไม่สงบไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีก็ไม่ได้ว่ามันดีได้ได้เดี๋ยวนี้ไอ้ใจมันดีหายอีกมันดีนะไามาแม่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีก็ไม่ได้ว่ามันดีจะได้ได มาที่สามแมาจามใจผมดีแท้เนี่ยเขาให้แล้อไ่ให้ผมไ่มีปัญหาผมวะเดีใจผมสบายแต่เขาให้แล้วไม่ให้ผมไม่มีปัญหาผมวะผมสบายแท้ปัญหาเนาที่สามวันเขาไมา่ให้เบิกไม่จะไปถามซ้ำแน่โอ้เปินสีดีวะพอในวันยังเชื่อแล้วฮาลู้ฮารเตาา้ายาชนทอนเงียบแดล่ำรวยผวเราดีแล้วขยังมาทาบุญให้ท่าน ไม่ผิดครับเห็นอันนี้สงยันเตะล่ะนีคือกันกับนี่ร้าวขายดีเกินไปกลายเด่นเขาตีหัวพอดีแน่เขาจะให้ขายดีเลยอมาพูดดีเกินไปเพราะว่าเด่นโพดเขาตีหัวเพราะเขาอิจฉาแน่เขาจะขายดีแม้ไม่มีพุทโธขายดีจะซื้อว่าอะไรก็คือ หผมดีสุดแค่ตัวน้าขายอะไรดีเด่นกว่าเข า, าตีกุศลผมเนี่ยคุณหวในก่อนแม่ข้านะึงคือหลักข้าวเอา้าอย่าขายของดีเอา้าเชื่อผมนะเชื่ออาจารย์นะ แนะนำเอาภาวนาใจมันดีสิ่นใจไม่ดีแล้วใจดีจะรวยแล้วท่านเชิญนะต้องกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาทําใจมันดีนะท่านนี่แต่ทำแล้วไปทำแล้วไปขายของโอ้ยบาทนี่รวยละมาเล่าให้ฟังเขาฝากเงินมาถวายจานห้าร้อยขายหรอจกักเขาผมไม่บอกอาจารย์ให้เขาละยินดีฝากมาห้าร้อย เนีเป็นยังล่ะตั้งโต๊ะกาแฟไปเทีวไปเนี่ยออไปซีนตัวนั้นมาเอาตัวนี้ไปซีนตัวนั้นก็มาติบลัตของเราเนแล้วก็อัศจรรย์แล้วล่ะเนี่ยไปีนตัวอื่นก็ต้องเอาตัววันเมิกีตลังมาทอดกลาปาคนเดียวเนเฝากเงินมาหาร้อย ที่หลังมาคลอกเขาปากมาเลเนี่ยอันนี้สงนันแต้นี่บุปผาอยู่พังทอนของกาแฟตัวนี้บนทุกข์บนยากยากไปทุกข์ไปยากเราเกิดมาหาผลผลอะไรมาจะ ต, ต่างแดงไปเอามามาครูบุรีมวล น, นึ่งก็ไม่ไม่เอาอะไรไม่จำยางมาไแต่ตัวปเป่า ถ้ามาจะเป็นบอดภาวนาดีใจเดียนรวยละลนี่เราได้ความาไปโพนาแล้วใจดีเลยขายของขายกาแฟคือเก็บเงินดดนี่ว่าเน่ยคนมาว่าไม่ดียุดยุดยุดเ ง, นงดินไม่เขามาหัวนี่เี่ยนีรวยเอันนี้โอยขึ้นหมดพี่คือแกงตักบอยจัะ่ะตั้ ง, ง, งแต่ฟัันพ่อเลยจังขายกาแฟคือเก็บเงินนี่และวั น้าไปที่ร้านโหสารชดเขาเซรา่รนี่บังกรโ ล, โลรอบมาจากไหนเล่าโย่ท่านพอบอกไอ้ใักกระถือนั่นแล้วให้มา เ, เด่นน้ารวยแนบบุปผาไปบอกคนอืกนก็รวยน้ำกันอีกหลานนี่มาอันนี้ได้บริชันมาสามสีคนนี้เป็นไงล่ะ ทีส่ส้งกับแนะอาจารย์แล้วเขาเขารวยนักกันเงิๆๆนเลยนี่ไปกรุงเทพอยู่ฟังทอนอืมแต่ก่อนนะว่าจะขาดทุนขัดร้อนห้องกาแฟัวนี้ขายนี่มันจะขาดทุนพอหน้าดีรอยๆไปขายกาแฟา เ, เ, เก็บเงินนี่แล้ ว, วะ คนมว่าท่านนั้นทน่า น, น, นยุตยุตยุตเงินนีเขามาคนว่าไม่ดียุตยุดนั่นนีเขาม า, น, านี่ี่อเตานะคนน่าแันสำนักิดของเราทุกคน งดเบื่อใดรู้จัจกเรามาทำบุญรู้จักบุญอ่าเป็นของเราเป็นบุญหรือยังพากันดูบุญมาอยู่ที่ไหนเราจะได้บุญ ได้ความสุขจะได้ความเจริญความสุขมันอยู่ตรงไหนเล่าอาภันฑ์ทุ ท, ที่ทุกคนอาภัณฑ์มาเนี่ยแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอาภัณฑนมาสวง่งอาคุณงามพรมดี ว้าคุณหาูหา้สนสแางหาความสุขความเจริญนรักใพากันในพึงรู้พึงต่ใจว่าอะไรมันสุขอะไรมันเจริญอะไรมันดีนี่พากันรู้จักนี่พากันมาแน่อยากดีทุกขันทุกคน ลองการปุงงามความดีเราทํำยังไงมันจะดีถ้าหาคนรู้จักหาเราไม่รู้จักของดีแล้วมันจะหาวันยังคำก็ไม่ได้ของดีหาวัดฟีมันก็ไม่ได้ของดีเพราะเราไม่รู้จักของดีอ่าผู้รู้จักของดีแล้ว ทำมนหายากนั่งอยู่เดียเ่ย <c oughs> นวนี้ก็ได้พาันดูเอาปกีิดูนี่เราอาศัยพุทธศ า, า, าสนาทำสั่งสอนพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วไม่เบี่ยงต้นเราก็ภาพันเนิยมาเวียนเทนแล้วปฏิบัติบูชา อรางรั้นสามไรกับอะรสามสามเป็อะไรพระพุทธเจ้าพระธรรมระสง์นี่ละพุทธะรัตนนาธรรมารัตนนาสังฆะรัตนนรัตนานี่ละเป็นที่พึ่งของเราคือเป็นแก้วรัตนแก้วคือพระพุทธเจ้าแก้วคือระธรรมแก้วคือระสง์เนี่ย พระพุทธเจ้าไม่ใสแก้วพระธรรมไม่ใสแก้วพระสงฆ์มใสแก้ว่างมันเตียบเหมือนกับแก้วแก้วมันใสมันสะอาดอมันแก้วกจกหรืออะไรมันใสนี่วงใจขท่านใสเหมือนกับแก้วมองเห็นหมด สุขทุกทั้งหลายนารกสวรรค์ทัางมองเห็นหมดดีชั่วทั้งหลายท่านจะได้วางศาสนาในไว้ให้แก่พวกเราเ่าพุทธบุริษัทวนี้ทางเดกอัตปันภสิตผู้เกิดชุดท้ายภายหลังนี้มาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า มาพบระทธรรมะคาสั่งสอนของท่านได้ชี้แจงแสดงไวแล้วท่านที่แจงแสดงไว้ท่านก็ไม่ได้ชี้แจงแสดงไปให่องอื่นใดในธรรมคุณท่านนันบอกว่าเอหิปสิโกจึงร้องเรียกทั้งหลายมาดูธรรมท่าน ไ, ไปดูธรรม อั น, นมาดูทำอันเราจะมาดูตรงไหนเราทำคือมาดูรูปธรรมนา ม, มาธรรมนี่แหละรูปธรรมเพื่อตําภาพล้างสายเราอันนี้เรียกว่ารูปธรรมเนี่ยมาทำมาดูดูเพื่ออะไรเราอยากรู้ว่าเรามาเชื่อนี่ว่า เป็นตัวเป็นตอนเป็นชัตเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนีคือรูปธรรมเนี่ยอันนี้เราก็มาพิจรณาเรามาอาศัยนิโยมคือเป็นตัวเป็นตอนชัดบุคคลเราเขาอันให้มาดูมาดูเพื่อเหตุใดเพื่อมให้หลง ท่านใหร้รู้รู้รู้ประธรรมนี่แล้วอ่านจะเราทั้งหลายเจรละสินทริทิมานะทั้งหลายละ ล, ะละาภโลภโศสะโมหะอวิสาตัญห า, า, าอุปทานกบข้าหาเราไม่ได้มาดูแลเราเสือเป็นตัวเป็นตอมมันเป็นตรงไหนเรา ให้มาดูท่านกะริย์ชนะนี่พระเจ้าวัคคีมิสุทัณฑาอันยกรุกบบ่นธรรมจักรปวัตนาสูตรมาอ่าธรรมจกักรปวัตนาสูตรท่านก็นได้บอกว่ามีทั้งหัวปนากเปตุเวดูขังอันเนชัดเจนท่านบอกตรงแน่ทิศเขเวดูก่อนท่านทั้งหลายมิสุทังหลาย สัจจังของจริงคืออะรรายเล่านี่ละของจริงเขาจะทำทั้งสี่ประการนี้นี่จะว่าไปคืนกับเราไม่ถูกคนเราทั้งหลายมากอรรมาองเดียวเทศถ้ามันถูกทุกคนจะทำยังไงมังจะถูกเล่านี่เราต้องฟังเอา ทางที่ทางผัเป็นคำที่ จ, จำของจริงนี่ถามว่ารู้จักของจริงจริงเพื่อนนายเล่าะสัจจะเป็นของจริงเนี่ตานูชาติพุกขา อ, อ่าันนี้คือความเกิดนี่เป็นพกุกเราทั้งหลายเมีนทุกคนอื่น ทุกข์ความเกิดนี่แหละให้พากันพิจารณาดูนี่เราทั้งหลายนี่พรุทธเจ้าจะไม่วางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายพิจรารณาให้คุณลูกเวลานี้เราก็เกิดมาแล้วทำไมยังทุกข์นันพิจารณาดิทุกข์เความเกิดลาทุกข์หา ความทุกข์ที่สองลองเข้ามาเมื่อเกิดมาแล้วความเข้าแก่สลาคำค่าความสมุดชุดทวงในถัวของเรานี่มันเป็นทุกข์ทนบอกไปนะว่าไม่อื่นเป็นทุกข์ใจของเราเป็นทุกข์ท่านมาพิจารณานี่พิจนนารณาธรรม เมื่อเป็นเชนีลาอันนี้มีประจำอยู่แล้วทุกลูกทุกนามไม่ว่ามียศก็ตามไม่มียศก็ตามสูงตามดำขาวก็ตามทุกจนก็ตาม น, นี่มีประจำอยู่แล้วแต่๋ยวของจริงใช้ห้ามไม่ได้ใช้จะห้ามได้สิ่เหล่านี้ นอกจากพระพุทธเจ้าพระราหัตทั้งหลายมันห้ามต่อไปแต่เราทั้งหลายยังห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพิเชิญนาสิ่งเหล่านี้ให้พึ่งรู้พึงเห็นคุกที่สามเข้ามาพยายามจะไปดูหาความเจ็บไข้จะพยายาเป็นโลกเป็นไปเป็นหวัดเ ป, เป็นไอเป็นไข้เป็นหนาว แ น, น่เจ็บตนเจ็บตัวอันนี่มีจะ อ, อากันบนเจ็บ้อเจ็บไส่เจ็บเอีว้วเจ็บแขนงเจ็บขาเจ็บอเจ็บาตาบวกศีราอ่า น, นี่อากันบนทุกคนมีใคละ่ะไม่ได้เป็นสิ่งแบบนี้นี่มันมีอย่างนี้แล้ว ให้าการพิจารณามนู้มเห็นเราจะทำพิธีไหนพระพุทธเจ้าจะเลเกศ น, นาให้เพื่อนรู้เพืเห็นสิ่งเหล่านี้อันนี้เมื่อโลกไปไข่เจ็บก็มาเบียนเบียนเราก็มานับ ก, ก็แล้วเราก็อยู่ไม่ได้ถึงมารณาามปีถุก ข, ขังถึงความตาย ความตายทุกจนตายความตายนี่แหละไม่ได้ว่าสั้นสูงอสั้นดำดำขาวประการใดทุกจนก็ตามต้องเป็นอย่างนี้มดรูปเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่อันนี้ตำครับษาสาบาริท่านไม่ได้ว่าตายท่าน่าจุติ จุติคือความเคลื่อนไปนี่เมื่อเราจะลดไปเคื่อนไปอย่างนี้เหตุใจยังเคลื่อนไปแล้วเราอยู่ไม่ได้พาเหตุชันใดอยู่ไม่ได้ขานทั้งสี่เนี่ยมันไม่เป็นสมคีกันมันร้อนนักเย็นหนักอ่ามันหนักหนักเหลือเกิ น, นเดียนจะทำนี่เป็นของหนัก นักจนนักนักเข้าพกพอแล้วปืนตาก็ไม่ได้ยกแหนยกขาก็ไม่ได้ลุกยิงไม่ได้แล้วนักแล้วเจอทิ้งเมื่อถิงอันนี้แล้วอันนี้เราจะไปอยู่จะไหมเราเราจะเอาอะไรไปด้วยอา่านี่ละพระพุทธเจ้า จะในวางศาสนาไว้พากัรบำเพ็ญคุณงามความดีอห้จักที่พึ่งของเราที่อาสัยของเรานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติพันเป็นในวางทานวางศีลวางภาวนานิวยัยนี่ให้พากนุจักนี่หละจะเป็นสเสวียนเดินทางของเรา อาโปเตมไวได้สร้างไว้พุนามความดีความดีนี่แหละนำปกปกักรักษาเราประโยู่สุขตีติแบบนี้ปากันในปัาจจาัยต่อไปออสิ่งใดละเมทํทำไว้ยังเลวประพฤติท้ารรมาสอเป็นชณะที่พึ่งของเราสิ่งใดละเมรู้ไว้ลวก็ไม่ทำไว้ สิ่ใดแล้วไม่ทําไว้แล้วก็พึ่งไม่ได้สิ่งใดเรารู้แล้วก็ทําไว้ปฏิบัติไว้แล้วก็พึ่งได้นี่เป็นอย่างนี้เหตุนั้นในพากันในพึงู้พึงเข้าใจทัานจะได้วางศาสนาในไว้เป็นเครื่องสนุกบำรุงตัวของเราคือท่านจะได้วางทานวางศีลวางภาวนาในไว้นี่เป็นข้อปฏิบัติ เราะฉะนั้ทุกท่านทั้งหลายจะได้พากันมาทำบุญนำผู่สอนทำคุณงามความดีเป็นเครื่องบริจาคสละมัติยัความตามีเนืยวแนนในจิตใจของเราสละความโลภสละความโกรธสละความหลงออเริ่มไปอย่างนี้ผลอนานิสงส์นี่ละ จะทจัดโลกครับำจัดความทุกความจอมว่าเราได้ทำไว้วได้สร้างไว้หน่อยมากนี่เป็นของของตอนนี่ให้พากันโกดน้ำว่าเราได้พากันทำบุญทำกุศลแาวนี่ปวดน้ำใจของเรานี่เราทำมาเนี่ ใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายไหมเหดูเเราได้ทำมาแล้วเนี่ยถ้าใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่มุ่นไม่วายนี่แหละใจเราพุทธโอใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบาย ในนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบิดหน้าวันฉะนั้นในพาการในพื้นรูปคนใจที่ไม่ใช่เงินสุขไม่ใช่วัตถุเขาของเงินทองสุกไม่ใช่ว่าอากาศมันสุขใจคนเราเป็นสุขทุกขพ อ, อใจพอใจเราสงบเราได้ทำปรมาความดีไ ว, ว้มีลามภทันทั้งหลายมานี้แต่มัน ทำคุณงามควาดีดีหรือยังตองทากันดูฮะมึงรู้กุญแจต่อไปนีละเราได้ทำไว้สิ้นใดแล้วแม่ทำไว้แล้วพอพุ่มตาอาศัยไม่ได้ได้แต่เราได้ทำไวตรงนี้เด็ดนั้นในตา ก, กันในพึงลูกกุญแจเป็นข่อปฏิบัติเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่ละ การได้เรารักษาศีลไม่รักษาอื่นไปทําวางศาสนาไว้รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยกายของเราเรียบร้อยวาจาของเราเรียบร้อยใจของเราเรียบร้อยแล้เไม่ได้ทโพษน้อยใหญ่ทางกายทางวาจาดวงใจเราแล้ว เกิดไปในพจไหนฉากไหนก็ตามอะไรพจนจฉากพุ้งเราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยสายของเราก็ได้เป็นคนเ็่ร้อยว่าจาขงเราก็เป็นคนเร่ร้อยไม่มีโทษน้อยใหญ่นี่เหตุ น, นั้นเป็นยังไงรักษาศีลโทษน้อยใหญ่เกอในใดเราท่านทั้งหลายกระสับอยู่แล้วว่าอาณาหรืออาจินากามเม มูสาสุราอันนี้มันเป็นโทษที่บ้านเมืองยุ่งยากทุกวันกับพอโทษหน้า อ, อย่างนี้ให้พากันในพึ่งลูกคุณต่อใจเมื่อเราต้องร้ายไม่ได้ทาโทษหนาอย่างนี้แล้วเราก็มีความสุขอ้อาวออไปในพบไหนฉาบไหนเราก็มีความสุขในปัจจุบันในเมืองหน้า เราไม่ทาโทษอา่างแล้วเราก็เป็นผู้มีโภคาสบาทเป็นคนไม่ทุกเป็นคนไม่จรเป็นคนไม่อดไม่ยากเป็นคนไม่ทุกไม่ยากเหตุนี้อากันฝั่อยาซักมาแต่ฝั่งให้ทำคิตไปพร้อมเมื่อพระพุทธเจ้าเทสนาปัญจวคีีสีทุตหเมื่อไ ด, ด้ท่านในสับโภวาทธรรมะ ทำสัมสอนพุทธเจ้าแล้วนัตยยกตนนี้จะมาสี่แกนแสดงไห้ฟันท่านก็ได้สำเร็จมังจม่งสำเร็จหวนนี่แต่เราก็ปัญจาแปว่าห้าห้าเพื่อไงเล่าหาสองแถมสองศีรษะอนหนึ่ง น, นี่ปัญจาแปว่าห้านี่เมื่อท่านได้ฟังแล้ว เสิ่ใดไม่ดีทั้นจะเลิกและละอันยกนนตารัคนาสูตรึงมาสีแจงแสดงให้ฟังซีแจงแปลนนตารัคนาสูตรตั้มคืออันยกรูปยกเวทนายกสัญญายกสังขารยกวิญญาณนี่ขึ้นมาสีแจงแสดงให้ฟังซีแจงแสดงแล้วไงเล่ารูปฟังอันิีจัง เมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านถามว่าลูกเทีย ง, ยงไม่เที่ยงท่านก็ตอบไม่เทียงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขือเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะว่าโตตนอย่างไรเล่านี่ตะวันโนเห็ดตัมพันเตม่ใส่เป็นจกปลานี่ท่ลานกลูกนี่ละถึงลูก เนี่ยถามทางเวทนาเวทนานิจาร์ถามว่าเวทนานั่งเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันบอกไม่เที่ยงเมื่อสิมใดไม่เที่ยงสิมนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเป็นทุกข์เมื่อสิมนั้นเป็นทุกข์สิมนั้นจะว่าต่อตนอย่างไงเล่าท่านบอกไม่ใช่ท่านกละเวทนา ดจับให้เวทนาคือความเย็นความร้อนความเป็นสุขความเป็นทุกข์นี่เร็วทุกข์ผาเวทนาทุกข์ผาเวทนาเมื่เรานั่งอยู่นี่ก็เรื่อเวทนาเนากระเจ็บตมนั้ น, นก็โปวดตมนี้เนี่ยแบบ้นอนเนี่ย้เย็นวีวับบแบกแบกอยู่ที่นีเนี่และตเวทนาเห็นไหมละ่ะมันยจะเฉยไม่ได้ นี่ตวเวคนาละอนี้อพิจนาอันนี้เป็นทุกข์จะอินไกรนี่ท่านถามเวทนาแล้วสามสัญญาสัญญานั้นอานนี้จำสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงฉันต่อว่าไม่เที่ยงเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ตอบเป็นทุกข์ซึ่งนั้นเป็นทุกข์จิวิตติตนยังไงเล่าตอบโน้ห์กรรมตันเตมมใ่ไส่ปาุขาทั้งกัลเวทนานันละสัญญาอันนี้ถามถึงสังขารสังตลานิจาสังขานเที่ยงไม่ไม่เที่ยง มันตอบไม่เทียเท่ยง เ, เ, ย เ, เมื่อสิยงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุขหรือเป็นทุกข์คนตอว่าเป็นทุกข์เมื่อเสียงนั้นเป็นทุกข์แล้วฉะนั้นจะว่าโตตนอย่างไงเล่าเขาบอกไม่ใช่นี่ตัณห์จิตของท่านนี่ถามถึงวิญญาณวิญญาณนั่งอนิจจาวิญญาณหนึ่งเที่ยงหรืไม่เที่ยงท่านก็ตอบไม่เที่ยง และสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นซุปหรือเป็นทุกขตาว่าเป็นทุกข์แ่ะสิ่งนั้นเป็นทุกข์แต่ว่าต่อตอนยังไงเล่ า, ลลาทั้งเลยละแต่ปล่อยวางหมดยิดของท่านแต่สะงบเป็นศีลเป็นสมาธิละอารมณ์สัญญาละอิเลตัญหาละคาโลพะโทสาโมหะวิชาตัญหาเป็นสานกบชาฏ ท่ากระเดสําำรับนักระเด็นอนิดของท่ิดของท่านกระสมอบนี่ท่านเพียรนีเพียดน้าในพากันในปุทู้ปุ่มตใจในสิ่เหล่านี้มีประจําตัวงเราอันนี้พาการปวดดูนั่งใจเราเวลานี้เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิอันใดในพบใจตามมาพบเรารู้พบมารูรก้พบในที่อยู่ของเรา ให้พาไาในพุนุพุนเข้าใจนี่พากันมาทำบุญทำบูชาจิเราเป็นบุญนนยังให้ดูจิตเป็นบุญมันเป็นยังไงจิตเป็นบุญคือจิตเราดีมีความสุขความสบายเย็ยนหกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่รอดให้วุฒิไห้วายพุทโธใจเบิก บานสบายหายทุกข์หายยากหายความในบาปทำทานเป็นอย่างนี้ให้เขา้าใจไว้นี่แหละบุญคนทั้งหลายทำบุญน่าไม่เห็นตัวมันจักเป็นตัวยังไงตัวบุญนะอยากรู้จักตัมันเออตับุญคือตัวคนเราทั้งหลายน้่งอยู่เดนีลา สีสามันดำดำขรุขวๆทุกคนนั่งอย่นี้ละเนื่อตัวบุญเราทําคุณ ง, งามคําดีแล้วเราก็มีความสุขเราก็มีความสบายจิตใจของเราก็เบิกบานอย่างเรา น, นาพุทโธโออ่าเป็นอย่างนี้อ่าจิตเราไม่ทุกข์ไม่ยากไม่มีความลำบากลำพาน เมื่อจิตเาดีแล้วสิ่งทั้งหลายก็ดีไปหมดการมานเราก็ดีทำมาหาก็ดีค่าขายก็ดีเล่าเรียนก็ดีครอบครัวก็ดีชาวบ้านร้านตราประเทศชาติก็ดีนี่เรประเทศของเราบ้านเมืองของเราเราจะได้รู้จากความดี่ารทมตังทําใจของเราให้สงบ นี yeah, ส่สร้างงบผ่าชุบศัตรูมันก็ไม่มีไขเวียนมันก็ไม่มีนี yeah, ่เป็นอย่างนี้เมื่อเรามีพุทธโคมีธรรมโมมีสัมโบอยู่แล้วพุทธโธคือเรารู้แล้วธรรมโมเราก็ทาคุณงามคําดีอยู่แล้วสัมโบเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัตชอบอยู่แล้วนี่แหละความชั่วทั้งหลายก็สลายไปเอ เบียงเื่อกลับมืดนี่ล่ะเราจุดขึ้นแล้วมืดเมื่กลหายไปเองทันงจะมีแต่วความสว่างสวนั้นก็มีแต่วความของสายนี่ล่ะเราจะได้ไม่อย่างนี้อากันโดเต้ข้าศึกทรุดลมาจากไหนใครเวีนมาจากไหน น, าาไหนีม่มาจากอื่นจากไกล มันมาจากลาคะโลภะโทสะโมหะนี้ในโลภะคินาความโลภนันเป็นไฟโคสคินาความโกรธเป็นไฟโมหคินาความหลงเป็นไฟไฟนี้ละมาไหม้หัวใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนมัดไปทั้งประเทศชาติบ้านเมือง นี่เนี่ยนั้นเราจะจะพากันมาทําบุญทํากุศลเพื่อระงับดับกันนี้ในสรงับดับเลืองใจสมมติว่าเราให้ทานแล้วกระงับดับความโลภนี้เองมั้นโลภมาอะไรเราก็เสียระออกไปเท่านั้นอ่าเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เรามารักษาศีล น, นี่เพื่อระงับดับความโกรของเราเมื่อเรา มีความโกรธแล้วเราก็นึกถึงศีลของเรานึกถึงเหตุใดศีลของเรานึกว่าโอ้เราโกรธอย่างนี้เราก็เกิดมาเป็นคนขี้ลายขี้เละเป็นคนฟุกคนจอนเป็นคนไ้าคนบ้านะเมื่อเป็นเช่ น, นี้เราก็ละได้ความโกรธของเรางดโกรโมโหโทโศขุ้นแล้วมันเกิดขา้าวานลันแทงกัน เกิดพ้นขนมปันเกิดฆ่าปันไม่ว่าอะไรทั้งหมดนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็มารักษาศีลเพราเรารักษาศีลรักษาตายรักษาวาจาตายของเราเรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางตายตั้งใจแล้วศีลเรานั้นมันก็ไม่มีเกิดมาได้พบในฉากไหนเราก็เป็นคนเรียบร้อย ใ้เบรดเบรดชืันกลักันก น, นี่ให้เข้จายไว้พวกเราทหลายมันสอนไว้ศาสนาทั่งวันนี้ น, นี่การเรามีความหลงโมหะคือความหลงต้องสอนในภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆภาวนาพุทโธพุทโธมัน ล, ลึกเราก็ไม่หลงเมื่อเราไม่หลงแล้ว เราก็ไม่มีโมโหเราก็ไม่หลงล้วเราก็ไม่กระทำความชั่ว โ, บโกโาบาปโกกรรมโวทุกข์โกยากเราก็นั่งในหลงล้านนั่งก็มีพุทโธเป็นผู้รู้อยู่นอนก็รู้อยู่เดินก็รู้อยู่ยืนก็รู้อยู่ไปไหนก็รู้อยู่รู้อยู่เราอยู่ที่นี้ก็รู้ใจเราเบิกบานพุทโธ ใจเราเหยียดใจเราเย็นใจเราสุขใจเราสมายนี่ล่ะไอ้ทากันให้ดูจากนี่ล่ะเราต้งหลายท้าภัยภัว่าบ้านเมืองของเราวุ่นวายมันเดือดร้อนเดือดร้อนที่ไหนนั่งดูตี้อนที่ไหนก็แก่ตรงนั้นตีไอ้ทาบันแก้แล้มาเนี่คนมากน้อยเท่าไหร่เล้ว ทางคนทางสงบนั่นก็ไม่มีอะไรมันก็มีระเบียบเรียบร้ยรอยดีนี่ลาบุญกุศลเป็นอย่างนี้เหตุนั้นในภาคนั้นเป็นมูปโภชัยต่อไปในทาคนันมันภาวน า, าภาวนาวอาจารย์ไม่นั่งโอนภาวนาไม่วันเนี้ยเอาไว้มไม่เราดูฟังเทศน์ตอนนี้ก็พอแล้วก็จะฟังคำยิงไม่เล่าต่อเป็นเงยแล้วนะ เราหงพ่อเหนื่อยไปเอาฟังคำดีเอานั่งจังกอดีฟังคำอ่ฟังคำนะหลวงพ่อเหนื่อยแท่กเหนื่อยเลยเนาะฟังคำก็ฟังโซมิดเลวเนาะเอาฟังเอานั่งกดดีฟังคำอ่ามาเาติดผ้นาดีเอานั่งกดดีเอาฟังนะนีันี้เท่จะฟังแล้วมันสงบหรือไม่สงบออกนั่ง เอาที่นั่งให้สบายสบายนี่ตรวจดูเรามานี่นั่งให้สบายสบายขาทักตาไส้มือขาทักมือไส้ตั้งกายกองนั่งให้สบายสบายเอามานี่เราต้องการความสุขความสบายนั่งให้สบายสบายตายเราสบายแล้วเขาตั้งทำนะตัง้งรูปธรรมนามธรรม ฟังคำฟังยังไงเล่าตายสบายแล้ว็ น, นึกดวงใจของเราเนื้กว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระิยส่งสาวกอยู่ในใจเมื่อนึกในใจอย่างนี้เล่าแล้วในเบืองต้นนึกคำปริกรรมภาวนาสเสพนอันนึกว่าคำผู้บุกเบยภาวนานั้นไปนึก อย่างนี้คุ้เคยแล้วปปนึกต่อเลยดูใจของเราเลยเราจะไม่เคยใครนึกว่าพุทโธธรรมโธสังโธพุทโธธรรมโธสัมโธ พุโทโธพุโทโธคำเดียวนับตานับปากนะลี้นก็ไม่กระดกกระดิก ล, ลึกในใจลึอแผลใแล้วในใจเราพุโทโธความรู้สึกตรงไหนล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นตาตะเพ่นดูด้ตรงนั้นหูลองไฟังในตรงนั้นเราอยากได้ยินว่าความสุขมันเป็นยังไง ตาเรากระจัดเห็นใจเราก็ะจัดรู้ความรู้ตนไงเราอยู่ตรงนั้นมันเป็นยังไงเล่าอใจขาวัดดูใจของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปนี่มันเป็นบุญเป็นยังไงเล่าใจเราดีหรือชั่วไอ้รู้จักมันดีแต่นยังไงใจเราดีสงบดีมีความสุขความ สบายเย็ยยนอกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่หุ่นไม่ไมไมไวายพุทโธใจเบิกบานสบายเี่พุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจผ่องใสสะอาดตาจะจักฟุตราจะจากโท้าตาจะจับไฟตาจะจากเวียน รา จ, จะจากความโกรธชาลาโมกราชะจากความทุกข์ความจมเราชะจากโลกรา จ, จะจับภันี่ดูเอาใจเราสงบแล้วนี่พูนี่เมย์ทำบาปทำกรรมกรรมนั่นมาที่ไ น, นายเราใเราสวา่างสวยโปร่งใสใจเราโปร่งใสมันมองเห็นตนมองเห็นตน มองเห็นเขามองเห็นเรามองเห็นหนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นบุญมองเห็นบาปน่ะไปดูที่บุญมันเป็นยังไงคือิบายนมาแล้วใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายนี่นี่แหละบุญเมื่อเราดับขันไปเราต่อไปอยู่ที่สุขที่สบายนี่ตามกันในฝุนนู้ดส า, าใจ่อไปนี่ บาปเพียงไงวัดเราบังคับบังมูอที่บาปในใจเราไม่ดีใจไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่นั้นท์ทัพย์อะไรตกทุกข์เลยยากในปัจจุบันในบนหน้านี่ากรมไม่ยับได้ไม่ใช่หรอน่เมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีรล้วทำมาหากินเล่าเล่นอะไรก็ไม่ดีขอบคัวก็ไม่ดี ชาวบ้านร้านตระประเทศช่างมันจะไม่ดีเมื่อเป็นชนีดไม่ใช่อื่นไม่ดีไม่ใช่ฟ้าขาดในใจเราไม่ดีดีนุกุกโถจับนี่ล่ะให้รู้ไว้เดี๋ยวนี้เอาต่อไปต่างคนต่างได้ยินได้ฟังแล้วเอางานไปไหมล่ะเอาลองดูฟังโูมันดีแล้วไม่ดีรู้จักตรงนี้ล่ะ นะสับดูสิใครดีใครไม่ ด, มดมีรู้จักตรงนี้ละเอาทำทำคนทำบังนะยินละเอาดูดีหรือไม่ดีเอาไปอยากไป ด, ดีก็ดูเอาเอาอธิไายฟังแล้วอา่ามันไม่ดีก็ดูเอาเราจะได้สร้างเอาเอา่ามีเสียวบุตรเทียวดาทำให้ซะอินทัางฟอมทำให้ นี่ทางหลายบ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนน่าจะทำวิธีไหนนับตความตังสมบกอย่างนี้แหละหนำนาคบุญปุสสนนี้ำํำจัดไปกํำจัดเวียนนำจัดความโชชา ล, ลามองนำจัดความทุกข์ความจนได้่าเรื่องเป็นอย่างนี้พระพุทธานระพาเวนะโดยนพพระพุทธเจ้ า, าพาะประธรรมประสงนี่ละ ไม่ได้มี อ, น, ม น, อนุภาคเงื่อนนี่แหละบ้านเมืองของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเมือ่อใจเราอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็เย็นเย็นเป็นสุขนะกระจายคนนี้สร้างบ้านสร้างเมืองใจคนนี้เป็นผู้รักษาประเทศชาติชาติความเกิดจะเรานีา่ไม่เกิดมาจะเกิดชาติชนะจะลุกเเรืองเจริญขึ้น ส, สายเรานั่นสมาธิภาวนานี่แหละ ใจดูใจแล้วสงบไม่นสงบแล้วมันก็ไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีความทุกวมีแต่ความสุขความสบายเมื่อใจไม่สงบแล้ววุ่นวายเดือดร้อนอนันเห็นแล้วเราก็รีบแก้รีบําระสะสม ห, ใใหัวใจของเราทั้งคนตั้งสงบแล้วมันก็สงบไปหมดเดี๋ยวดอกกายจนี่ ให้สัญญาไว้ได้ินเสียงระารก็ตามหรู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วทำให้ต uh um, ่ามเมืองล้อมตามกองตามองาณาปรักษณ์สนหน้านาทีกำนาลิกาตีนำสบายสบาย อาจจะเป็ น, นมอมองยี่